ตอนที่สามดท่านผู้เทาเจิ้งโกรธจนเป็นลมลีชิงผิงรีบวิ่งเข้าไปขวางหน้าหลีหวานเพื่อปกป้องลูกสาวทันทีพร้อมสวนกลับพวกคุณเอาต่ชี้หน้าด่าลูกสาวฉันทำไมไม่ถามบ้างเหรอว่าทำไมลูกสาวฉันถึงต้องตีเด็กบ้านพวกคุณลูกสาวเธอตีคนแล้วยังมีหน้ามาอ้างเหตุผลอีกเหรอหยุนชงนี่นะเหรือเมียที่นายแต่งเข้ามาฉันไม่ฟังเหตุผลเอาเสียเลยฉันรู้ว่านายไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้แน่เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราไม่ได้มาหาเรื่องนาย นายยืนดูอยู่เฉยๆไม่ต้องมายุ่งพวกเราจะเอาเรื่องแค่สองแม่ลูกนี้เท่านั้นเจ้าชุนฮาววเห็นพวกเขารุมต่อว่าทีและประโยคอย่างเกินไปก็เริ่มทนไม่ไหวอีกต่อไปกล้าบุกมาถึงในบ้านเพื่อรังแกคนช่างเกินไปจริงๆเห็นคนตระกูลเจ้งตายกันหมดแล้วหรือไงผมว่าที่เมียผมพูดเมื่อกี้มีเหตุผลพวกคุณตอบมาก่อน เจ้างุนชงยืนตัวตรงแนวคำพูดคำจาล้วนปกป้องหลี่ชิงผิงและลูกสาวเมื่อคืนเขาก็เห็นเสี่ยหวานอยู่กับเส้าซิงจริ ง, จ ร, งจริงเพียงแต่เขายังไม่ทันได้ถามไทหลานชายให้รู้ความคนพวกนี้ก็แห่กันมาคิดบัญชีถึงหน้าบ้านแล้วเด็กเล่นกันกระทบกระทั่งกันบ้างไม่เห็นเป็นไรตอนพวกเราเด็กๆ ก, ก็ใช่ว่าจะไม่เคยต่อยตีกันใช่ไหมแต่ไม่มีใครลงมือหนักขนาดนี้นั่งเด็กเหลือขอนี่จงใจจะเอาชีวิตลูกชายฉันชัดๆรองผู้พันหวังพูดเลี่ยงประเด็นสําคัญแล้วยกความผิดทั้งหมดไปที่หลี่หวานหุบปากเน่าๆของแกซะ เมื่อได้ยินอีกฝ่ายเรียกหลี่หวานว่านังเด็กเหลือขอไม่หยุดเจิ้งหยุนฉงก็ยื่นมือไปกระช่าคอเสื้อของหวังกัวเฉียงพร้อมข่มขู่ด้วยท่าทางดูร้ายอย่าคิดว่าผมไม่กล้าลงมือกับแกนะลีชิงพิงกังวลว่าเจิ้งหยุนฉงจะมีเรื่องกับพวกเขาสองมัดย่อมยากจะต้านทานสี่มือหักสู้กันขึ้นมาเขาอาจเสียเปรียบได้ที่ว่าเด็กเล่นกันกระทบกระทั่งกันน้าหมายความว่ายังไงทุกอย่างมันต้องมีขอบเขตลูกหลานบ้านชันนิสัยใจคอเป็นยังไงฉันย่อมรู้ดีไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้แนะ่ถ้าลงมือทําลงไปย่อมต้องมีสาเหตุ เจ้าชุนหาัวาเอ่ยปกป้องด้วยน้ำเสียงเย็นชาแกใส่หัวออกมาพูดให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ ท, นท่านผูเทาเจิ้งหมุนตัวกับเข้าห้องไปลากตัวเจิ้งเซาซิงออกมาปกติปู่สอนแกยังไงลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับตอนนี้เสียหวานต้องมารับความลำบากเพราะแกแกยังหมุมมุดหัวอยู่ในห้องไม่ยอมออกมาอธิบายให้ชัดเจนอีกเหรอเจอิ้งเซาซิงอยากจะออกมาใจจะขาติดที่ว่าตอนนี้ขาทั้งสองข้างคุกเข่าจนไม่มีแรงเขาหมอบลงกับพื้นไม่สนว่าสภาพจะดูอนาถเพียงใดแล้วพลงออกมาทันที เมื่อคืนหวังจื้อคังกับพวกตั้งใจหาเรื่องล้อมผมไว้จะรังแกผมหลีหวานลงมือก็เพื่อช่วยผมครับเซาซิงแกบอกว่าพวกจื้อคังรังแกแกแล้วแกบาดเจ็บตรงไหนล่ะหวังกัวเฉียงไล่บี้ถามเปล่าผมไม่ได้รับบาดเจ็บพวกเขายังไม่ทันได้ลงมือครับเจิ้งเซาซิงพูดจบหวังกัวเฉียงก็รีบคว้าประเด็นทันทีนั่นไงจื้อคังก็แค่ขู่แกเล่นเล่นไม่มีทางลงมือจริงๆหรอกแต่หลีหวานตีเด็กพวกนี้บาดเจ็บจริงๆเจิ้งหยุนชงทีนี้แกยังมีอะไรจะพูดอีกไหม ไม่ใช่ครับตอนที่หวังจื้อคังกับพวกกาลังจะลงมือกับผมหลีหวานถึงได้ลงมือเจ้งเซ้าซิงรู้สึกว่าคําพูดของหวังกวัวเฉียงมันไม่ถูกต้องหวังจื้อคังเคยออมมือให้เขาที่ไหนกันเมื่อคืนเขาเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องโดนอัดน่วมแน่ๆเซ้าซิงฉันเข้าใจความหมายที่แกพูดแล้วจื้อคังกับพวกไม่ได้มีแค้นเคืองอะไรกับแกจะลงมือตีแกทําไมอย่างมากก็แค่สนตามประสาเด็กแล้วขู่แกเล่นเท่านั้นแหละลูกชายฉันไม่เคยลงมือตีคนหรอกก็แค่ล้อมวงดูเรื่องสนุกเท่านั้นเองลูกบ้านฉันก็เหมือนกัน แต่ละคนช่างปกป้องลูกหลานตัวเองดีเหลือเกินหลหวานลอบเหยียดยามในใจตามที่พวกคุณพูดมาหมายความว่าต้องรอให้ฝ่ามือตบลงบนหน้าจริงๆก่อนถึงจะสวนกลับได้งั้นเหรอนี่มันตันกับผีอะไรกันประเด็นสําคัญคือตอนนี้คนที่บาดเจ็บจะต้องเข้าโรงพยาบาลคือลูกหลานบ้านพวกเราไม่ใช่แก่แค่นี้ยังพิสูจน์เรื่องราวไม่ได้อีกเหรอหวังเกวี้เฉียงแค่นเสียงหืยุนชงเรื่องนี้แกจะว่ายังไงบาดแผลภายนอกนั้นไม่เท่าไหร่แต่ดวงตานี่สีเรื่องใหญ่ ไม่ต้องรีบตอนนี้ยังถามไม่ชัดเจนเลยว่าลงมือเพราะสาเหตุอะไรเจร้หยุนฉงยังมีสติครบถ้วนไม่ยอมถูกจูงจมูกง่ายๆเศร้าสิงทำไมพวกเขาถึงรังแกแกแววตาของหลีหวานเป็นประกายพ่อของเธอช่างยอดเยี่ยมจริงๆถามได้ตรงจุดสำคัญทันทีเจ้งเศร้าสิงที่เงียบมาทั้งคืนรู้ดีว่าตอนนี้ต่อให้คิดจะปิดบังก็คงปิดไม่มิดแล้วเขาขบกรามแน่น หวังจี้คังกับพวกด่าว่าผมไม่มีพ่อไม่มีแม่แถมยังด่าอารองว่าพอแต่งเมียแล้วก็จะทิ้งพวกผมจะรังเกียจว่าพวกผมสามพี่น้องเป็นภาระแถมยังด่าว่าอารองตาถั่วแต่งกับแม่ไม่ลูกติดไม่พอยังพาเอาลูกสาวที่เป็นตัวล้างผานไร้ข่ามาด้วยประโยคแรกที่เจิ้งเซาสิงพูดนั้นเป็นความจริงแท้แน่นอนส่วนประโยคหลังนั้นมีใส่สีตีไข่เข้าไปบ้างเล็กน้อยความจริงเขาสะเตือนใจที่สุดคือการถูกด่าว่าเป็นเด็กกําพร้าหวังจี้คังพูดไม่ผิดเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่บังเกิดกล้าเลยจริงๆ แถมพวกนั้นยังพูจาที่เกินไปกว่านั้นอีกดีมากฉันว่าพวกแกนั่นแหละที่ทําตัวเป็นโจรตะโกนให้จับโจรลูกพวกแกรังแกหลานบ้านฉันเท่าที่ฉันรู้ลูกพวกแกก็อายุสิบกว่าขวบกันแล้วรวมหัวกันรังแกเศร้าซิงเสียหวานช่วยเศร้าซิงตีกลับไปพอเด็กบ้านพวกแกแพ้พวกแกยังมีหน้ามาคิดบัญชีที่บ้านฉันอีกเหรอเจ้าชุนฮวาสรุปเรื่องราวเพียงไม่กี่คําตอนนี้ทุกอย่างกระจ่างแจ้งแล้วเจ้าชุนฮวาโกรธจนกำหมัดแน่นช่างเป็นไอพวกสุนัขไม่มีการสั่งสอน เสียวหวานอัดพวกมันนี่ยังน้อยไปถ้าฉันได้ยิงกับหูน้ารับรองว่าวันนั้นฉันจะอัดเด็กบ้านพวกแกให้พ่อแม่จำหน้าไม่ได้เลยเจิ้งหยุนชงาเท้าเตะเข้าที่เข่าของหวังกวัวเฉียงอย่างแรงชายหนุ่มเจ็บจนตัวเซเกือบจะคุกเข่าลงกับพื้นเจิ้งหยุนชงแกทำอะไรนะ่ะคำนี้ผมควรเป็นฝ่ายถามพวกแกมากกว่าว่าพวกแกคิดจะทำอะไรเจิ้งหยุนชงตวัดเสียงกล้าวเด็กสิบกว่าขวบจะไปรู้อะไร คงเป็นพระพวกแกที่เป็นผู้ใหญ่แอบนินทะลับๆบ่อยๆและสิเด็กพวกนั้นถึงได้กล้ามาพูดจาพล่อยๆต่อหน้าหลานชายผมผมจะบอกให้ว่าปากพวกแกนี่มันเน่าจริงๆถ้าไม่อยากมีไว้ก็ไม่ต้องมีลีชิงผิงไม่คิดเลยว่าคนพายนอกจะมองเธอแบบนั้นการแต่งงานของเธอกับเจิเจ้งหยุนชงในสายตาของพวกเขาคือความไม่เหมาะสมความจริงก็เป็นเช่นนั้นแต่เธอไม่เคยรู้สึกว่าการมีลูกติดมันไม่ดียังไงใสหัวไปคำด่าของท่านผู้เท่าเจิงทรงพลังและก้องกังวาน เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องคุยกับพวกแกอีกว่ากันไปตามระเบียบตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระหว่างเด็กๆแล้วในเมื่อพวกแกต้องการความเป็นธรรมนั้นเราก็ไปหาความเป็นธรรมกันฉันอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีไม่คิดเลยว่าเดี๋ยวนี้คุณภาพคนจะต่ำตมได้ขนาดนี้พวกแกที่อยู่ที่นี่ถ้าไม่เป็นทหารก็เป็นครอบครัวทหารในสมองมีแต่เรื่องชาวบ้านที่อยากรูก้อยากเห็นทําไมไม่ย้อนดูตัวเองบ้างว่าสั่งสอน ล, ลูกหลานดีพอหรือยังหลังจากด่าดจบท่านผู้เท่าเจิ้งก็สูดหายใจเข้าลึกๆแต่ยังไม่ทันได้ผ่อนลมหายใจออกมาร่างของท่านก็ล้มตึงสลบไปททันี